พอรู้ได้กับปัญหาปากคลอกนี่แหละซึ่งมีอยู่กับทุกคนว่าโลกหน้ามีไหมเพระเรื่องโลกหน้ากับผู้ไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคน เขาถามดังนั้นเราก็เลยตอบเขาถามเขาเมื่อวานได่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี้มีไหมปัจจุบันนับบัต น, นี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นและคืนวันนี้ก็มีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามี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 มันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลําดับเราจําได้เราไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ําตอนกลางคืนตอนถึงปันบันทุนในเท้าเราก็เคยเคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาหล่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันเพรยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โต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 ผู้แบบถามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษทางความหลงความจําไม่ได้มันมาสแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจะจับสาเหตุของมันไม่ได้แบบเป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จําไม่ได้ในเรื่องของตัวเลนหมุนตัวเองนักชาติจะไปทางไหนความหลงตัวเองถึงเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ไม่ น, อน้อยหลงสิ่งอื่นยังขีย้ยนชั่วให้หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหา มันก็จะท้อกับมหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพระพุทธเจ้า ท, ท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สําเร็จนอกจากเรื่องจะทําคุณงามความดีเข้ามาเริ่มดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่จิตตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจ ต่เป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลอยู่ตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิ ง, ยงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นความดีถ้าไม่ถ้าความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความพุ่งช่านวุ่นวายทิ้งใส่แฉะต่างๆโดยหาเหตุหาสาระไม่ได้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 นําทําบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาหลักยึดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑแต่หาหลักเกณฑ์ไ ม, ม่ได้กลายเป็นเรื่องความเหลีวไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตลอดพบตลอดทัดมีแต่คําเหลีวไหลทั้งๆที่ต่ะแสวงหาคิดลาวุ่นขุนมัวไปหมดมันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจึงสอนให้ยึดสาระทํา เช่นให้สอนสอนให้ภาวนาพุทโธหรืออัติเจสาโลมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระเพื่อจะให้จิตที่ส่งไปที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นและรวมกระแสะของตัวรวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้น จุดนั้นจริงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสแห่งความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่บริกรรมหรือพรวนาอยู่ได้อยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบพอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหรือเป็นที่ยึดของจิตอัน ความที่จิตปรากฏเป็นทีตของตนหรือเป็นหลักเป็นเจนขึ้นมาได้เพราะอะไรเนี่ยก็เพราะบทธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษในความพุ่งสร้างวุ่นวายของจิตที่หาหลักที่มาได้แล้วกาะความเดือดร้อนวุ่นวายให้แต่ตัวในขณะเดียวกัน นี่เป็นขั้นหนึ่งขั้นสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนแล้วพยายามทําจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลําดับด้วยบทธรรมนาที่กล่าวมานี้จเจริญแนวเจริญแน่วจนวจมีความทํานิชธรรานากระทงจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความจานาน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 ร่งองยของจิตก็พอมองเห็นได้ถ้าจิตเคยสงบจอยความตัวออกไปก็ทราบท่านจึงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราเหตุอะไรดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความกินของมัน เมื่อเราได้แยกแยะส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ประยึดมั่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้ฮักมึงความจริงไม่ได้เพราะพิจารณานนั้นแล้วไม่มีอะไรมีแต่เป็นความสัมพันธ์ของจิตเป็นหมาอัตตหาดในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นโทษ แห่งความไปสําคัญมั่นหมายความวิมันถือมัน่นของจิตในในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงปิน่นรถเครื่องสัมผัสทั้งอาการท้องจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่ตเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลาดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชดัด ด้วยปัญญาที่พี่คลายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นนาแต่ก่อนไม่ทราบว่ามาเกี่ยวขอ้องเพราะเหตุใ น, นี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวขอ้องเพราะเหตุนั้นนั้ น, น, นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสำคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตามจริงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดว่าจิตมันไปสําคัญเป็นอย่างนั้นนั้นมัน่นจรงเกิดอุปทานความมั่นถือมัน่น ความักความทางขึ้นมาเป็นก่เหลืสเครืร่องไปอีกอก็ทราบทั้งความเละหลายของ จ, จิตเมื่อทราบนนรว่าตถุเลหลายแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะฝืนปิดไปยึดมั่นถึงมันก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไอยึดมั่นถึงมันหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่วิธีคลีค่ ค, คลายกองปัญหาใหญ่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 เข้ามาความกังวลทั้งหลายที่กิจเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดส่องเอาทะลุให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วความไม่ทราบจะไปงมอะไรอีกนะปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปหมดไปนี่มันก็เข้าทํานองที่เคยเทศนั่นเองแล้วก็มาคลี่คลายดู ขณะหิบที่แยบออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยบออกไปจากที่ไหนเพราะสติปัญญาทาันมันแยบออกขณะนั้นมันก็ดักในขณนะนั้นไม่ถึงก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทาันคอยตีคอยต้อนคอยปราบปรางกันอยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามน้องรอยมันเข้าไป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 ตัดสะพานหมดที่จะไปสื่อต่อกับตู้ขับเสียงกับปลิ่นกับรดเครื่องยนต์ถัดทั่วโลกดินแดงหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่เหลือแต่ความรู้ที่ปรุงอยู่ยิบแยบยิบแยบอยู่ภายในปีกหนีตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโดนกระวนกระวายก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่พรากฏขึ้นมานั้น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 เรื่องมันก็มีแต่ยุ่งยักยุกย่งยาอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัด น, น่กำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุยเฉียบขุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะน่ะไม่ว่าทุกเอียบทแลท้วถึงกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่อมรู้ทั้งขณะที่ดับไป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 อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นไทยสิ่งที่กอ่อให้กอ่อกำเนิดเกิดเป็นจักเป็นบุคคลท่องเทียนในว่าตักสงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้มีอย่ากวบบคุยเขี่ยปุดข้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสำคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สารโลก เรื่องเยลเลดที่แทรกอยู่ภายในจิตอันอย่างลึกลัำนั่นแหละทีนี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงจีโน่เรื่องทั้งผัดซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตท่านเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนค้นคว้าลงไปที่จิตจนแหกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปที่เคยได้พิจารณาด้ยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกัน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 ทราบได้อย่างชัดเจนพันธกิจนี่นีละที่ว่าลมหน้ามีไหมหรือไม่มตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิด เ, เคยตายทำซ้ำสักๆไม่หยุดไม่ถอยจนไม่สามารถจําเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลํำบากของตนในพบน้อยพบใหญ่ได้คือตัวนี้เที่สมมวล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 ไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้แก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะกว้างแสนกว้างขนาดไหนกี่จะักระวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งปัญหาของเขาเรื่องสาคัญที่ทำกรกรมก็ตกองเผชิแต่ตนอยู่โดยจม่เสมอไม่ลดละ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 อะไรๆก็ไม่เถ่าเพราะไม่หนักเข้าหัวใจที่แบกกองทุกแบกอยู่ที่หัวใจพ่อเรียนไม่จบแบกแต่ทุกเพ่อความรุ่มความหลงเมื่อยิชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทําลายสิ่งที่เป็นภายในทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคำว่าไรพอกกามาพบลูกพบรูพบพ่อหมดมันอยู่ที่ใจกามาพบก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูกพบ รวูก้ก็สมมุติถึงนั้นๆอยู่ในสามี้ฝังอยู่ภายในใจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โลกหน้าอยู่ที่นี่เี่ยเป็นผู้ที่จะก้าวต่โลกไหนๆก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวโคงจักรที่มีอยู่ภายในจิตใจให้อยู่ในที่อื่นใด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 ถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาออกไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วเนี่ยมันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสําหรับมวลตัดโรคทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นก่อนมากจะขึ้นตรงนี้ าตายแล้วเกิดลุือายแล้วสูญโลกหน้ามีไหมนรกมีไว้สวรรค์มีไหมอันนี้ก็ถามว่นนานรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ขี้เกียจจะตอบพระพุจาจะตอบอะไหรพอผู้แบบนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียไปร่ำเวลาทําไมแก่ตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์แก่เหตุหรือบำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุันทางที่ชั่วเสียทำวัาทุมันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันจะผิดไปไหนแลเพราะสอค้าทำสอนให้แก้ที่ถูกที่จุดไม่มีผิดไงทมมานิยานี้ก็ททำก็นำผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอำนาจแห่งความรุ่มหลงด้วยส่อค้าทำนั้นอยู่แล้ว แก้ที่ตรงไหนท้าไม่แกจทีิดปัญหาอันใหญ่โตก็มีอยู่ที่ปิดที่เท่านั้นความรู้อันนี้แหละหยาบก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทำให้คนหยาบทำให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะที่ละเียดเป็นเครื่องหนุมหลังทำให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องหนุน ละเอียดไปจนมาทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมุดยุติลมด้วยความพ้นทุกข์ไม่มีเชื่อสื่งต่ออีกต่อไปมันก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถามนี่แหละการแก้ความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนนถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้ความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่น ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันหนอนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแย้ะนอนซะดีนะผมจะตายแล้วน่ะตายอยู่บนหมอนหรือว่างตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่ํำทํางานมันบังคับไม่ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแย้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันมันเพียรเข้าไปแย้ก็ลุกปุ๊ปับขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ ถ้ายอมหมอรบร่ากไปเลยมันก็มีแต่แพ้ท่าเดียวหรือจะเรียกว่าแพหรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพอะไรได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขามันได้ก็พอจะว่าแพ้คนนี้แพ้คนนั้นชนะแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมร่ากเอาอย่างเดียวแต่ว่าไงถ้าไม่ว่าบ่อยกลางเดือนของกิเลสจะว่าอะไรมันก็บ่อยนั่นแหละ จะเอานี้ไปแก้งกิเลสมันก็เป็นสมิมกิเลสใช่ไหมมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจ ะ, ปะไปไหว้ที่ตรงไหนใจมัมีดวงเดียวนอกจากแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุตางผลเราคิดรอบแล้วยากลำบากเราก็สู้เหมือนยังถอดหัวน้ําออกจากเท้าของเราเจ็บก็ต้องทนถอดถ้าเราจะยอมให้มันตักจกมอย่งนั้นมันก็จะเน่าแคะไปหมด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 แล้วจะยอมันอยู่ตลอดเวลานันก็ฝังจมนั่นน่ะน่าเฟะยอะไรวะตาต้องการนี่เแต่ว่าไงให้เราต้องการหรือว่าเป็นคนเน่าเฟะทาไมต้องการสู้ทึ้งทาไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนะจนได้ถึงจะแพ้มาขีดขั้งกว่าตามีมทางชนะในขั้งหนึ่งจนได้พอชนะขั้งนี้ต่อไปก็ชนะเรื่อยๆและะ้วชนะชนะชนะนเรื่อยไปเลยจนว่าขั่งไม่มีอะไร จะมให้เราต่อสู้มันหมดประตูตู้เราช น, นะชนะอะไรชนะความที่เปียดกด้วยความขยันแั้วก็พ้นจากทุกนี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตายมีแก้ที่ตรงใจมีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแก้ที่จุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้แก้ที่ตรงนี้แก้ที่อื่นไม่ไม่มีทาง แต่สำคัญนั่นหมายไปตั้งกับตั้งกันก็แบกปัญหาปลาเกิดพาตาพาทุกพาลำบากงนั่นแหละบาทุกนี้ไม่มีบาปบุญนี้ก็เสมวยกันอยู่ทุกคนเนี่ยคําว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกเนี่ยคําว่าบุญก็คือความสุขเพราะว่าไงมันจะมีอยู่ในหวัวใจในกายคนทุกค น, กคนแล้วปฏิเสธกันไปไหนนั่นเป็นชื่อว่าบาปเน่ะชื่อบุญก็ชื่อความสุขนั่นแหละถ้านชื่อว่าบุญความทุกนั่นแหละที่อันี้คอว่าบาผลของบาป เผลของ ค, ความชั่วมันก็มีอยู่ด้วยกันเราจะไปหาที่ไหนอีกนรกหรือไม่นรกก็ตามเธอถ้ามันทุกข์เราอยู่เต็มหัวใจไปแล้วใครอยากจะมาเกิดนี่มันรู้อยู่อย่างนี้จะไปถามถึงหนึ่งนรกนั้นเลกที่ไหนอีกมันเผาที่ที่ไหนมันก็ร้อนเช่นอย่า ง, งไฟขี้เราเนี่ยขี้เขาตงไหนเกากีก้เขาีิมันต้องร้อนมันกันหมดแต่ว่านรกหรือไมัานรกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกข์อันนี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟกี้มัยังรู้แล้ว เราจะไปหาโลกที่หนอีกไฮร้อนยิ่งกว่าไฟนี้นะความสุขก็รู้อยู่กับตัวไปหาสวรรค์ที่ไหนให้มันเจอเถอะน่ะเจอความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแต่ข้อยันยิ่งความสุขทางใจนับตั้งแต่ความสงบเย็ยนใจขึ้นไปเดิมหนักไปมาทั้งตั้งหลักตั้งฐานทองจิงตได้แน่นหนา ม, มันคงภารกิจใจแน่ใจในตัวเองอายิ่งกว่านั้นเอาให้หลุดพ้นไปแต่ไปถามมาที่ไหนสวรรค์นิพพานามไม่จําเป็นต้องถามเรา รู้อยู่กับใาของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นชัดๆคลองกันอยู่แล้วเวลานี้จะหาที่ไหนอีกชื่องมงที่ไหนเหงาฮะได้ตัวแล้วก่ออยู่กับตัวให้มีเท่านั้นพระมังกรเจ้าไม่จะหลอกคนให้บูกนั่งคำนี้เอาตัวกินที่ตรงนี้ฮะการจะเป็นธรรเห็นว่าสมควร